ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทยาสีปทุมในวันนี้จะพูดเรื่องศัตรูในชีวิตของคนกานนี้สุดเนื่องมาจากบัรจันทร์ที่ส8บปกันยายนที่แล้วมาในราการตอบปัญหาบัรจันทร์ ก็มีท่านผู้ฟังโทรศัพท์ถามเรื่องว่าศัตรูในชีวิตของคนที่อันมาเรียบเรียงแล้วก็เผยแพร่ไปนานแล้วนั้นก็มีอะไรบ้างแต่เนื่องจากเป็นเรื่องที่เรียบเรียงมานานก็รู้แหละคําว่าศัตรูนั้นก็คือกิเลสกับทุกข์ เพียงแต่ว่าทรงจำแนกแสดงไว้โดยนิยติแตกต่างกันออกไปบนเพื่อความมั่นใจก็บอกว่าวันหลังจะตอบออกทางรายการเพราะว่วาหัวข้อธรรมนั้นค่อนข้างมากนะแล้วก็มีนิยติที่จะต้องทำความกระจ่ายอธิบายพอสมควรก็พอดี เอกสารเล่มนี้ได้ขาดคราวไปแล้วก็สนักพิมพ์ธรรมสภ า, าได้นำไปพิมพ์เผยแพร่ก็วางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดสาบว่าตกเล่มหนึ่งก็ประมาณไทยสิบห้าบาทนะเป็นเล่มเล็กๆขนาดใส่กระเป๋า คำว่าศัตรูนั้นก็คือสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาและจะถึงเป็นผู้ฆ่าในแง่ของความหมายก็เป็นเช่นเดียวกับคำประมาณคือเป็นผู้ล้างผลาญทำลายล้างเช่นเดียวกันแต่ว่าศัตรูนั้นก็อาจจะมากกว่ามารที่เป็นเทวบุตรแต่ว่า มันที่เป็นกิเลสก็มากกว่าปกศัตรูเพราะว่ามานันคือกิเลสนั้นมันอยู่ภายในใจของเราแต่มาในที่นี้ท่านแสดงถึงกลุ่มของทุกข์สัต์กับกลุ่มของสมุทัยสัตว์แต่ว่ามันเป็นสภาวะบ้างเป็นอาการบ้างเป็นพฤติกรรมบ้าง การมองในลักษณะสืบสาวเราก็ต้องสืบไปดูไอ้ น, นี้มันมาจากอะไรถ้อท่านจำแนกไว้เป็นศัตรูภายในก็แปดประการด้วยกันประการแรกคือความชราความแก่ความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย มันเป็นศัตรูโดยสภาวะคือเกิดแก่ตายเนี่ยมันเป็นสภาวะเพราะเมื่ อ, อชีวิตมันเกิดขึ้นมันก็จะไหลเข้าสู่กระแสของความเปลี่ยนแปลงตามกฎของของใตรักเพราะชีวิตนั้นเป็นกระบวนการที่เลื่อนไหลแล้วก็ไม่หยุดนิ่งความเจราจะมีอยู่สองลักษณะ ลักษณะหนึ่งเขาเรียกว่าปฏิชันนชราคือชื่อชราที่ปกปิดเอาไว้เป็นลักษณะของความแก่ขึ้นคือหมายความมาตั้งแต่ถือไปสุนทิในคันมานดามาจนคลอดออกมาแล้วเจริญเติบโตไปจนถึงหนุ่มสาวก็เรียกว่าอายุก็แถวนน่นแหละสามสิ้าสี่สิบเนี่ย มันก็อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นวัยเจริญในสมัยปัจจุบันนะเขาเรียกว่าวัวเจริญพันธ์ได้ซ้ำไปอีกอย่างเนึนงเขาเรียกว่าอภิจันณชราคือชราที่เปิดเผยคือไม่ได้ปกปิดแล้วปรากฏออกมาชัดเจนผมงอควัหักหูตาไม่ชัดเจนพระมัว มองอะไรต่างๆก็ไม่ชัดฟังอะไรก็ไม่ชัดอีปัญหาโรคภัยค่าเจ็บเบียดเบียนหยุมหยิ้มรุงรังเขาเรียกว่าโรคคณิถังคือรังของโรคแล้วประพังกุนังคือเปื่อยหน้ามาเองบมืก่อนที่เข้าโรงพยาบาลวิชยุทธ์ก็ไปกาบสาโรคหัวใจเนี่ย เขาเรียกต้องใส่บรรลูนก็ใส่อะไรลวดอะไรเนี่ยเจนุใจตีไปสามเส้นแล้วก็บรดีพระที่วัดรูปหนึ่งท่านแก่กว่าะมาสามปีจนถึงก็ผ่าตัดสมองปรากฏว่าเฉพาะค่าผ่าตัดเนี่มันหมดไปทั้งสี่แสน แล้วก็ต้องเชิญแพทย์มันจะต่างประเทศด้วยก็ทำให้นึกก็ อ, อึดสังขารมันยิ่งแก่ยิ่งแพงไงแล้วชีวิตเรานั้นทำอะไรได้น้อยลงเพราะว่ามันอ่อนไปหมดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความแข็งแรงของร่างกายคือความทนทานในด้านต่างๆ อย่างสมัยเป็นหนุ่มๆอายุสักสามสิต้นๆเนี่ยเมาสามารถเรียบเรียงหนังสือวันเดียวได้หนึ่งเล่มนะเป็นเล่มขนาดรวมร้อยหน้าเนี่ยือนั่งโตพิมพ์ดีดรวดเดียวเลยจบทำปัญหาสองสามร้อยหน้าเนี่ยวันหนึ่งก็คือดึงเสร็จเลยเราทำได้แดี๋วทุกวันทำไม่ได้ พิม์หนังสือขนาดสักสองหน้านี่เหนื่อยแล้วมาก่อนยี่สิบหน้ายังไม่เหนื่อยเลยมีหนังสือหลายเล่มที่แต่งเพียงคืนเดียวแล้วก็ไม่ใช่ทั้งคืนนะฮะหมายความมาเจ็ดแปดชั่วโมงนี่เราก็แต่งได้แล้ว นั่นคือชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้แล้วก็ทุกคนเวลาแก่ลงไปแล้วจะเห็นชัดเจนว่าความแก่เนี่ยมันเป็นศัตรูจริงๆมันบั่นทอนมันตัดรอนทุกสิ่งทุกอย่างก็เรืองมือเท้ามันก็ข้าม่ฟังผู้จากันไม่รู้เรื่องอยู่กันมาตั้งนานแล้วชีวิตเรานี่อยู่กันมาตั้งนานแล้วก็จริงแล้วเราก็พูดกันไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่รู้เรื่องกันตลอดไปนะฮะ ประการต่อไปเนี่ยเป็นกิเลสละแต่เรียนลืมว่าทุกข์ษัตริย์เนี่ยถ้าเรายอมรับว่ามันเป็นธรรมดาก็คือธรรมดาเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเรามีการพละดพลาดเป็นธรรมดาไม่มีใครสามารถจะผ่านพ้นเรื่องทั้งสี่ประการนี้ไปได้นอกจากเราไม่เกิดมา ท่านจะสังเกตว่ามันก็สอดคล้องกับคําถามที่พระเจ้าปเสนที่โกศลถามถามถึงคนที่ไม่แก่ไม่ตายคือท่านไม่พูดถึงความเกิดไม่ได้พูดถึงความเจ็บไม่ได้พูดถึงการพลัดพรากแต่ว่าเอาเฉพาะแก่กับตายก็คือกันก็แสดงมันไม่มีหรอก แม้แต่ราชรถก็ยังคล่ำคร่คราพระศ า, าสดาเองก็ทรงชราพระสารเองก็ต้องชราทีนี้ตัณหาความทียานอยากตัณหานั้นเป็นกิเลสที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ที่สมุทยัทยสัตว์แต่ท่างฟังต้องเข้าใจนะว่าตัณหาเป็นตัวแทนของกิเลสสารพัดกิเลสเราจจะเรียกถึงกิเลสันหตัณหาร้อย แต่ก็คือตัณหาสามนั่นเองเป็นความอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วก็ไม่ต้องการได้ไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็นอาการที่เด่นก็คือเป็นกิเลสประเภทโลภะราคะแล้วกับกิเลสประเภทโทสะแต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็เกิดมาจากโมหะตัณหาเราไม่สามารถจะตอบสนองได้ จะหลวงพเจ้าส่งแสดงว่านติตันหาสมานะทีแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีเพราะแม่น้ำมีโอกาสที่จะเต็มได้จะล้นฝั่งอย่างได้เลยแต่ใจของมนุษย์จะไม่รู้จักคำว่าเต็มคำว่าอิ่มคำว่าพอลักษณะของตันหาทรงสแสดงเอาไว้เป็นหลักนะฮะเวลาที่บายตันหาจะส่งใช้คำสามคำ หนึ่งคือโปโนพวิกาขอให้เกิดความมีความเป็นปเรื่อยๆอยากได้นั้นอยากได้นี้อยากได้น้นอยากมันไปเรื่อยๆเพรายนถึงยุนหนึ่งนี่มันจะเป็นวิาวตนณาคืออยากเปลี่ยนคือไม่ต้องการได้แล้วแต่ต้องการเปลี่ยนเพราะคนเล่นรถอย่างเดียวเนี่ยหมดเงินไปเยอะนะฮะเคยพบคนคนหนึ่งหลายปีมาแล้วประมาณยี่สิบกว่าปี ที่บ้านเขามีรถเบนซ์นะฮะเป็นร้อยคันเป็นเศรษฐีใหญ่เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่แต่เงินมาหายไปกับรถเบนซ์แล้วแกก็ใช้รถได้ทีละคันเนี่ยนะแต่ต้องดูแลรักษารถเป็นร้อยแล้วรถก็ไม่ได้ใช้งานนะฮะมันก็เสื่อมสภาพไปเพราะอะไรเพราะตัณหารู้สึกภาคภูมิใจที่ตนได้เป็นเจ้าของแล้วก็ได้มีรถ แล้วก็เป็นเจ้าของรถทีนี้รับก็ออกมาเลยก็เล่นรถเลยทีก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งของเศรษฐีแต่ก็ก็แสดงให้เห็นอย่างหนึ่งว่าในสุดเราก็ต้องทิ้งหมดเราเอาไปไม่ได้นะแม้ทำพิธีกรงเต๊กเผาก็ในสวรรค์นรกก็คงไม่มีรถเบนนะ์นะ เพราะว่าเป็นความสาเร็จโดยกำเนิดของบุคคลเหล่านั้นสวรรค์ก็มีทิพยะสุขมันเกินรถเบ้นไปนรกมันก็มีกรรมมันก็ทำกว่ารถแล้วต่ำกว่าเยนด้วยทั้งไปปัญหาความทยานอยากนะอยากได้อยากได้ก็คือสิ่งอยากได้โลกสัมผัส หรือสิ่งเขาก็คือรูปเสียงเดียรรถผลิภัณฑธรรมรมอั น, นี้เราเจอเรื่อยเพราะมันมีเท่านั้นจริงๆในโลกนี้มีเท่านั้นจริงๆหรือเราพูดง่ายว่ารูปนาะแล้วต้องการเป็นในฐานะตาแหน่งต่างๆชั้นยศต่างๆไม่มีคำว่าหยุดคำว่าพอเป็นกระจังแต่ไม่ได้ทํา ในขณะเดียวกันก็รู้สึกยินร้ายคือวิพวัตนาไม่ต้องการได้ไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็นที่จริงก็คืออยากได้อย่างมีอย่างเป็นอย่างอื่นเนี่ <ầ! S 1> มันเหมือนกับเรานั่งบนโต๊ะเพื่อรับประทานอาหารแล้วก็ไม่ต้องการรับประทานอาหารบนโต๊ะนั้นก็คือต้องการรับประทานอาหารอย่างอืนงงง่นทั้งันเราสังเกตคิเลสที่จริงมันซ้อนกันอยู่ในขณะที่เรายินดีมันก็ยินร้ายในขณะที่เร า, ายินร้ายมันก็มียินดีแฝงอยู่ เพระเพระเราสัมผัสโลกด้วยมฆะมฆะก็คือวิชาปิดบางเหตุผลสติปัญญาของคนเอาไว้ไม่เข้าใจถึงความจริงที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นจิตใจของบุคคลก็ยึดติดอยู่ในอารมณ์ต่างๆแต่ยึดังไงมันก็ยึดไว้ไม่อยู่นะะถึงจุดหนึ่งแม้แต่ชีวิตเราก็ยึดไว้ไม่อยู่ อการต่อไปคือเรื่องคิดมากเป็นอาการของฟุ้งส่านแต่เราเห็นว่าอาการคิดมากเนี่ยบางทีมันอาจจะเกิดมาจากกิเลสประเภทราคะเกิดมาจากกิเลสประเภทโลภะเกิดกิเลสมาจากประเภทของโทสะหรือพยาบาทหรืออาคาตก็แล้วแต่มันจะเข้มข้นกระดับไหนก็สรุปเอามันคิดเยอะเลยแล้วบางอย่างก็เป็นโมหะคือมันไม่ชัดเจน พ้นกิเลยประเภทคิดมากคือฟุ้งซ่านสัด ส, สายจับทิศทางไม่ได้เนี่ยเป็นทางมาของโรคประสาทเยอะมากมันจะมีลักษณะเหมือนกับคนที่ติดคุกคิดฝันอยู่นอกคุกตล อ, อดแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ก็คือติดคุกอย่างนั้นเองพวงนี้บาลีต่เรียกว่าอุททัจากกุกุ จ, จกัก ความฟุ้งซ่านจนถึงจุดหนึ่งก็กลายเป็นรำคาญคือคิดมากบีตกกลงบนฟุ้งซ่านทำลายสุขภาพจิตจนถึงกับเคยเกิดภาพหลอนภาพลวง เ, เกิดเสียงกระซิบ เ, เกิดอะไรต่รางๆนี่มากมายเาเคยเพะคนในลักษณะนี้หลายคนเป็นคนที่น่าสงสารนะ คือเธอเห็นอย่างนั้นจริงๆเธอเข้าใจอย่างนั้นจริงๆทั้งๆ ท, ท, ที่ว่าไอ้สิ่งที่เธอคิดว่ามีอยู่มันไม่ได้มีอ่ะแต่เธอปรุงจนมียมื่อเราใจน้อยคิดมากอย่างเดียวยหนึ่งนอนไม่หลับแล้วก็กระสับกระซายุบเตียงทั้งๆเราสังเกตพวกนีนคนนนะ้คือนิวร์นะคือนิวร์เป็นอุท จ, จักกุฏ จ, จัคือคิดมาก แล้วก็มันเป็นศัตรูพระถอนกำลังกายและใจของคนสมมติเราคิดมากขึ้นเดียวนะตื่นขึ้นถึงก็แย่แล้วเดินก็โสซัดโสเซแล้วสติปัญญาก็ซึมซึ่งซึมมือลอยแล้วพวกนี้ถึงอาการอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่าเฉาตายนะปเป็นโรคเฉาตายเป็นอาการของทีนามิธากับอุตจธธักกุจจะ มีอาจารย์อดีตอาจารย์จากวิทยาลัยสวนสุนันท่านเคยมาเล่าให้ฟังเมื่อก่อนก็ไม่เชื่อนะฮะว่าเอ๊ะมันจะมีโรคนี้เหรอโรคเฉาตายท่านบอกว่าคนนี่เฉาตายคือเป็นเพื่อนกับท่านเองเป็นอาจารย์อาจารย์สอนตอนนั้นก็เป็นวิทยาลัยแล้วก็มีข่าวสังคมข่าวสุบสิบข่าวเพื่อนโทรศัพท์มาบอกก็พวก บางชัางยุ่ทั้งหลายนะฮะมันเกิดระแวงในตัวสามีและทั้งสองคนเนี่ยเป็นข้าราชการอาจารย์ได้กันแต่สามีมักจะไปประชุมมักจะไปสัมมนามักจะไปในที่ต่างๆแล้วก็ข้างคืนบ่อยแต่ตัวเองก็ไม่กล้าถามไว้ข่าวคราวต่างๆในสังคมซุบซิบก็ดีที่ที่เพื่อนเขโทรศัพท์มาบอกก็ดีในจริงเช่นยังไงเนี่ยมันไม่ได้เคยสักถามเลย อั น, นี่คือจุดอ่อนอย่างหนึ่งของคนคืออยู่ด้วยกันแท้ๆไม่ถามฮะเลยไปเชื่อคนข้างนอกเป็นเรื่องแปลกแต่จริงแล้วเป็นเรื่องที่น่าเจ็บใจที่สุดเลยยังชาวพูดเราในมีเยอะเลยเรื่องที่เข้ามาตอบเนี่ยไม่ใช่ตอบเองนะฮะยกมาจากบาลีพยนถามปั๊ดเนี่ยมันก็นึกออกปุ๊บปอยู่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเราก็ตอบไปตามบาหลี มันก็มีข้อแม้ว่าเอ๊ะเขาว่าอย่างนั้นนะเขาว่าอย่างนี้นะเขาว่าอย่างน้นนะเอ๊ะคุณจะเอาอะไรอะคุณต้องการรู้เรื่องพระพุทธศาสนาพระพุสธนาก็ต้องดูพระพุทธว่าอย่างไงมันไม่ดูว่าใครว่าอย่างไงนี่คืออะไรคือคิดมากแล้วก็ฟุ้งซ่านผลสุดท้ายไม่มีทิศทางเลยเราไม่ต้องดูอะไรหรอกสังคมไทยเราเนี่ย เราไม่เชื่อมั่นแม้ในพระยานของพระพุทธเจ้าเราไปศึกษาค้นคว้าถึงเรื่องตายเกิดตายสูญเรื่องชาตินี้ชาติหน้าโดยวิธีการของเครัะห์ครังที่อเมริกาเนี่ยเขาใช้วิธีการสะกดจิตนะแล้วก็ศึกษาพบชาติรรมนานด้วยเกิน สาสตัยก่อนศาสตราจารย์อินสติเวนสันจะสารวจเรื่องการนักลึกชาติใดซ้าไปเวลานี้ก็เป็นความรู้แบบภาพสไลด์อันก็มีอยู่หกสิบกว่ากระทีเว น, นี้ก็กระทำหนังสือเผยแพร่กันเยแต่เราจะเห็นว่าถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันไม่ชัดเจนไม่ได้มีแก็ชาดกแต่พอชาดกเราก็มองเป็นนิยายเลย มองเป็นนิทานประัําประราไม่น่าเชื่อถือเอาไปน่นเลยนี่คื อ, อะไรคือพุ่งสัน้นคิดมากไม่มีหลักเราจะับหลักให้ได้เนี่ยเอออันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนมาน ะ, ะบางคนก็ไปตั้งประเด็นว่าไอตัวเรื่องเนี่ยมันเป็นอัตกรถาบอกว่าใช้อัตกถาคือเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็รับรู้แล้วก็เล่าต่อกันมา เพราะในคนเล่าทีหลังเนี่ยเล่าเพื่อจะทําเป็นอันตกถาเนี่ยท่านจะเล่าละเอียดหรือว่าเล่าโดยย่ อ, อ ก, ก็คือเรื่องจริงเรื่องจริงคล้ายๆกับเหตุการณ์เนี่ยสมมติเราจะบรรยายเหตุการณ์ของบ้านเมืองในตอนใดตอนหนึ่งก็ได้ครับมันก็คล้ายๆกับยาขอบบรรยายเรื่องผูชนะสิทธิิ์คือแกเอามาจากวันคดีแปดบรรทัดเนี่ยขยายเป็นร้อยแ800ดร้อบรรทัด จินตนาการหนูเลิอเลยเพราะฉะนั้นผู้ชนะสิบธิชิตจึงเป็นเอกสารที่แพร่หลายในสังคมไทยเข้าใจว่าเงินตราแพร่สะพัดไปเพราะคำว่าผู้ชนะสิบชิตในกรณีต่างๆหลายล้านหลายสิบล้านแล้วก็นานด้อยกันนันคือเล่าแบบพิสดารสอดใสจยยินตนาการออกไปเออผู้หญิงผู้ชายเขารักกันเขานั่งคุยกัน อันนี้ก็ต้องจินตนาการไม่ได้ยินอ่ะทีนี้อ น, นักฝันเขาฝันได้ก็ก็คิดไปได้เรื่อยๆอิจิตพิสดารยังไงก็ได้ฝันควคิดมากเนี่ยคืออย่าลืมว่าถ้าเราอยู่กับอดีตด้วยอนาคตด้วยปัจจุบันด้วยเนี่ยมันเครียดอดีตคือผ่านไปแล้วอนาคตคือยังไม่มาเราอยู่กับปัจจุบัน อดีตเราแก้ไข อ, อะไรไม่ได้อนาคตเราทําอะไรไม่ได้เพราะมันยังไม่มาแล้วก็ไม่เคยมาด้วยอนาคตพรุ่งนี้มาก็เป็นปัจจุบันและพรุ่งนี้อีกก็เป็นปัจจุบันอีกอะตอนเราเจอมันมันเป็นปัจจุบันมันไม่ได้เป็นอนาคตเพราะอ น, อนาคตมันก็อยู่เป็นขณะเป็นนาทีเป็นวินาทีเนี่ยอนาคตขณะอย่างนั้น่เราสัมผัสได้ใกล้ๆ แต่ว่าอนาคตพรุ่งนี้ไม่แน่เราอาจจะอยู่ไม่ทันก็ได้จะมาก็ันก่อนที่หมอบอกว่าสิบเก้าสิบสิบคือหมายแก่ตายเก้าสิบแล้วก็รอดนี่ถึงสิบสิบเอร์เซนตเราก็รอดมาแต่ว่าหนึ่เราก็ตายนะแล้วก็ตายง่ายตายได้แล้วก็ไม่ได้ร้อนอะไรตายมาเมื่อไรก็ตาย พมาตายอยู่แล้วอะคือเดือดร้อนไปก็ทำนั้นเองไม่ได้ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาแต่ตราบใดที่เรายังมีสติปัญญามีความคิดพยายามได้อยู่ก็ทำงานกันต่อไปตอนการคิดมากความพุ่งซ่าเนี่ยเป็นศัตรูต่อสุขภาพทางกายและก็สุขภาพทางจิตนี่ทำยังไงล่ะ มันก็ต้องมีสติมีปัญญาและรู้จักความเหมาะความควรรู้จักกาลเทศะให้อย่าให้อะไรมันเกินไปมนุษย์ก็่าคิดก่อนนะคคิดก่อนทำคิดก่อนพูดคิดก่อนอะไรทั้งหมดมันต้องคิดแต่ว่ามีสติในการคิดมีสัมปชัญญะในการคิดมีความพยายามในการคิดมันก็รู้ความเหมาะความควรและอะไรควรคิดหรือไม่ควรคิด เรื่องบางเรื่องมันป่วยการเขาเรื่องมันป่วยการช่นเอาเรื่องอดีตมาตกเฉียงกันแล้วก็เกิดโกรธกันเนี่ยที่จริงมันไม่ได้เรื่องอะไรอดีตเราเอามาเป็นบทเรียนน่ะได้แต่วันใช้เพื่อทะเลาะ ก, กันเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรประการต่อไปนั้นคือเอ็นดูเขาเกิดไปเป็นศัตรูต่อทรัพย์สมบัติและความดีทั้งหลายของเรา คือเราเห็นว่าใจที่เอ็นดูเนี่ยมันเสี่ยงต่ออคติคือฉันทากติเมตากับการุณายินดูเป็นการุณานะครับอินดูจะเป็นการุณาบางทีเราเรียกดายญาดายาคือความอินดูถ้าเกินไปเนี่ยมันจะเป็นอคติคือฉันทากติทีนี้อย่างบางค่างบางคราวเราก็ตามใจลูกเอ็นดูลูกสงสารลูก บางทีก็พ่อตายบางทีก็แม่ตายลูกกำพร้าเอ็นดูเขาตามใจซะจนเหลืองเสียคนเลยเพราะมันจะเป็นอันตรายต่อทรัพย์สมบัติและบางครั้งเนี่ยต้องเอาใจเขาเอ็นดูเขาลูกจะไปเที่ยวห ล, ลานจะไปเที่ยวก็ตามเ็าไปดูมันก็เสียภาพลักษณ์ของตัวเองเว่จาจะไปกับเด็กนะ เราเป็นผู้ใหญ่เราอาจจะไปกันเด็กแต่ไปในแหล่งที่ไม่ควรไปเช่นพวกบาพวกผับพวกแหล่งรริงรมงทั้งหลายเนี่ยพวกเด็กๆเขาก็ไปได้แต่ผู้ใหญ่ก็ไม่ควรไปเพราะถ้าไปก็ชื่อว่าม่อยู่ในเงื้อมมือของศัตรูใจที่ไปนั้นแน่นอนเป็นใจที่เอ็นดูทำให้เราจับหลักได้อย่างหนึ่งว่าการใช้ธรรมะทุกกรณี ต้องกำกับด้วยสติสมัญญาและความเพียรแม้แต่การุณากรุณาเกินไปเมตตาเกินไปเนี่ยมันจะเป็นอคติแล้วจะเป็นโสกะหมายความว่าในสุกรลมเอียงอิลัมเอียงเข้าข้างเข า, ขาไม่พูดว่าผิดหรือถูกคือแทนที่จะมองที่กรรมมันจะมองที่คนนะฮะ ให้เราสังเกตว่าความเอ็นดูมากเนี่ยเราจะมองได้ตัวคนเราจะไม่มองที่กรรมเการตัดสินที่ผิดที่ถูกของคนเนี่ยเราต้องมองที่กรรมใครทําก็ได้กฎหมายตัวนี้ว่าผิดก็คือผิดลูกเราก็ได้ตัวเราก็ได้ใครก็ได้ต้องผิดแต่เพราะเอ็นดูมากเกินไปจะลำเอียงทีนี้เมื่อไม่ได้ตามที่เราต้องการได้มันจะเกิดโศก ค, คือเสียใจ ปุ่เนี้ยผูโศกกบลิเทวทุกกระทมณนัาาตุปายาทั้งหลายเนี่ยมันมาจากการเอนดูอะไรก็เกินไปเพราะทุกอย่างคือต้องใครขวรต้องคิดต้องพินิจพิจารณาไม่ให้ปล่อยให้ใจเลื่อนไหลไปตามความรู้สึกที่เอนดูเขามากจนเสียเรื่องนะเอนดูจนเสียเรื่องที่ดูจนเหลิงแล้วบางทีก็เสียเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ก็เสียคนไปเลยคีอก็ตามใจ ตามใจคือตามใจคนในเราเวนดัวใจคนในดูมคิดอย่างไงพูดยังไงก็ไหลาตามก็ไปเรื่อยๆไม่กล้าขัดคอไม่กล้าท้วงติงไม่กล้าตักเตือนไม่กล้าให้สติกลัวลูกแกน้อยใจกลัวลูกแกร้องให้มีคนเขาเล่านะว่าครอบครัวหนึ่งเนะี่ยญาติพี่น้องอยู่เต็มเลยปู่ ย, ย, ยาา่าตายายเนี่ยอยู่เต็มแต่มีหลานเล็กๆอยู่คนเดียวตั้งคนต่างอุ้มโดยเฉพาะคนแก่กดรุดปู่ย่าตายายเนี่ย เปียนกันอุ้มไปอุ้มมาเลยเด็กอายุตั้งสามขวบแล้วยังเดินไม่ได้นี่คือคืออะไรคือเอินดูก็เกิดไปเดี๋ยวนี้เราจะเห็นน้อยสังคมจีนเนี่ยมันเกิดเป็นปนัญหาเพราะอินดูลูกหลานเกินไปคือเด็กมันเกิด น, น้อยนะฮะคุมกําเนิดกันเยอะแล้วครอบครัวหนึ่งก็มีลูกคนเดียวเปิดพลูกได้มาก็โอบเหมือนกับข้องเท้นะฮะ เพราะั้นเราจะพบว่าเด็กรุ่นใหม่ของจีนเนี่ยจะแรงคือเคยค่านักท่องเที่ยวหมดลำเรือทีเนี่งเงินสดได้กแรงมากเลยเพราะแกเอาใจใจฮะขัดใจไม่ได้พวกเนี้ยขัดใจไม่นะขัดใจจะโกรธเลยทีนี้อยู่ในที่ต่ําช้าเป็นศัตรูแก่ความมีสง่าราศีคำว่าสถานที่ต่ําช้าเนี่ย หมายถึงสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีนะสรุปว่าสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีมีส่วนทาลายสง่าราศีของคนแต่เช่นว่าสมมติเป็นข้าราชการเนี่ยแต่งชุดยูนิฟอร์มไปเลยแล้วเข้าไปในซ่องเข้าไปในบาร์เข้าไปในผับเข้าไปในแหล่งเรองรมทั้งหลายหรือเข้าไปในบ่อนมันเสียสง่าราศี ตรงนี้เขาเ ร, รียกอโคจรอโคจรคือสถานที่ที่คนดีไม่ควรเข้าไปถ้าเข้าไปแล้วเสื่อมสหาราศีเคยมีพระไทยเนี่ยไปที่อเมริกาคือท่านท่านเดินหาคนอะแล้วท่านก็ไม่เข้าใจก็เดินไหลเข้าไปในบ่อนก็กล้าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยแต่ก็ดีคือคือหมาความคนไทยไม่เห็นแต่ท่านก็ตกใจมาก น, นั่นคือคือเพราะไม่รู้ทีนี้ถ้าคนไทยรู้แล้วก็โอตาละสุบซิบกันตายนะพระเข้าไปเล่นการพรนันก็ว่ากันไปเพราะโบราณ น, นี่ท่านจึงพูดถึงสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษบ้านเรือนสกรปรกสัตว์นรกจะมาเกิดบ้านเรือนสะอาดตักปราชจะมาเกิด หมายถึงว่าบ้านช่องสาภาพแวดล้อมต่างๆซึ่งเราจะเห็นชัดเจนนะว่าสังคมเราปัจจุบันเน่สาภาพแวดล้อมเป็นพิษมันมีปัญหาเยอะก็เป็นที่น่าสังเกตนะว่าปลายเดือนปลายเดือนกันยายนี่นี่นักข่าวทั้งโทรทัศน์ทั้งทั้งหนังสือพิมพ์มาสัมภาษณ์สามรายนะเอออย่างนึกว่าเราก็ ไม่ถูกสัมภาษณ์มานานแต่ข้อที่สัมภาษณ์ก็คือเป็นเรื่องห่วงใยพิติกังวลเรื่องเดียวกันคือเรื่องปัญหาเยาวชนปัญหาสินธรรมจัญญาได้แก่เราก็มองเห็นนะแต่ไม่รู้จะทำไงคือถ้าเราไม่กลับไปแก้ที่รากเหง้าของปัญหาเนี่ยยังไงมันก็แก้ยาก คือการอยู่ในถ้มกลางสภาพแวดล้อมที่มีมลพิษเนี่ยภูมิภูมิภูมิรนฐานทางโรคอาจิตของเราต้องเข้มแข็งทีนี้ถ้าภูมิจิตไม่เข้มแข็งก็แสดงภูมิธรรมมันอ่อนเั้นคนจะไม่มีภูมิฐานเลยแต่ถ้าเราภูมิจิตภูมิธรรมภูมิฐานเราเห็นว่าภูมิฐานเนี่ยเป็นลักษณะอาการซึ่งเกิดมาขึ้นมาจากภูมิจิต แต่ภูมิจิตเนี่ยมันต้องอาศัยภูมิธรรมซึ่งมีหลักในการวิเคราะห์ตัดสินวินิจฉัยมันก็หมายความว่าคล้ายๆเคยยกตัวอย่างนะว่าตัวหนอนที่มันกลายเป็นดักแด้แล้วก็กลายเป็นผีเสือเ้อคือตอนเป็นหนอนเนี่ยมันกินของสกปรกและพอผ่านกระบวนการพัฒนาตัวเองจนเป็นผีเสื้อเนี่ยมันบินไปดมดอมดอกไม้เลยไม่กึกลื้อในสิ่งสกปรก ทางนูนทางวิชาการเขาว่ายังไงไม่ทราบนะฮะแต่ภาษาบ้านๆเนี่ยเขาเรียกว่ามันข่าบวชคือเป็นตัวอย่างที่เอามาสอนพระเทียบเคียงกับตัวนอนตัวหนึ่งอ่ ะ, ะผ่านการบวชแล้วต้องกลายเป็นผีเสื้อให้ได้หมายความว่าบินเหนือสิ่งสกปรกให้ได้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยไม่ตกเป็นทาสของอาบายามุก ผนที่ต่ำช้าเหล่านี้มันเป็นทางมาของปัญหาอุปสรรคอันตรายสารพัดเรื่องท่านจึงถือว่าเป็นความเสื่อมสงาราศีสมับคนดีนะคนชั่วเขาก็ไม่สนใจอะไรท่าอะไรหรอกการต่อไปเนี่ยขอเขามากเกินไปเป็นศัตรูทำลายความเคารพการยกย่องและการให้เกียรติ อันนี้คือคือใครก็ตามนะแม้แต่ลูกขอพ่อแม่ถ้ามากเกินไปเนี่ยพ่อแม่ก็ลำบากใจเหมือนกันมีภาสิตในฉดกบอกว่าคนขอเป็นทิรักของผู้ถูกขอแล้วก็ยกตัวอย่างว่าสมณาพราหมณ์คือนักบวชนะครที่จริงไม่จริงหรอกคือถ้าขอมากเกินไปแล้วเขาก็เดือดร้อน เหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงห้ามไม่ให้พระขอต่อคนที่ไม่ควรขอยกเว้นแต่ญาติกับปรวนาเนี่ยพระเกิดวิกฤตศรัทธาอย่างแรงที่เมืองอารวีเนี่ยคนเจอพระขอมากกับพวกชาปักก่พระห้าหกรูปขอกันเยอะขอยุบไปหมดเลยรุงรังจนชาวบ้านขวัญก็เจองเห็นพระวิ่งหนีเลย นักมานักไปก็พเห็นโคสีมือนจีวรพระวิ่งหนีเลยขวัญก็เจิงพระมหากจัจจปะพระอราหาันผ่านทางมาชาวบ้านวิ่งหนีอุปโสคนหนึ่งจําได้ว่าเป็นพระมหากจัจจปะเลยนิมนต์ไปที่บ้านแล้วก็ทันุบ่มรุ่งโดยปัจจัยแล้วก็กราบเรียนนะท่านทราบท่านก็มาทราบพระพุทธเจ้าอยู่พอดีนะก็กราบทูลพระพุทธเจ้าสงสารก็เป็นเหตุพระพุทธเจ้าสรงมัญญะถวินัยตัวนี้ เพรขอต่อคนที่ควรขอและต้องรู้จักความเหมาะความควไม่ใช่ขอซ้ําขอซากอย่างพระเราในญาติโยมปรานาแต่ว่ า, ามีคนเยอะที่ปรานาเนี่แต่ไม่คคยขออะไรก็ถ้าจะบอกอะไรใครสักอย่างมันต้องเป็นเรื่องของส่วนรวมเรื่องของาศาสนาแต่เกี่ยวกับตัวเองไม่เอาหรอก ก็พ อ, อยังอัตาผ้าไปเป็นไปก็ปอแล้วแต่ปัญหาใหญ่นี่ที่จริงคือพระเราเนี่ยถ้าทำงานมันก็ต้องอาศัยการสนับสนุนแต่ก็ไม่ต้องขอคือมีก็ทำไม่มีก็แล้วไปกระจบเราก็ทำอย่างอื่นนะแต่ต้องทำงานต้องปฏิบัติภารกิจอา้าไม่มีอะไรจะทำแล้วก็ศึกษาปฏิบัติธรรมะต่อไป ท่ญญานจะบอกว่าอย่าขอของรักที่เราอยากได้จากเขาเคยได้ยินไหมฮะภาสิทธ์บทหนึ่งที่คราวหนึ่ ง, งมันมีสุภาษิตซึ่งแต่งโดยจกคุณธรรมทัศนาทร อ, อดีเจ้า ว, วาดวัดชะนะสงครามเนี่ยแต่งเพราะมากวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยก็พราะวัดดัดนิสยัยบ้านกับวัดพัดกันช่วยยิ่งอวยชยัย ถ้าการก็บันลัยทั้งสองทางโอ้โหฮิดมากคำกรอนี่ยเวเนียพระจําได้เยอะทุกช่วงเข้าประเทศนี่จําได้แต่ที่ท่านไม่ค่อยจําก็คือว่าพอกรอนี้ออกไปหนังสือพิมพ์ลงเลยนะมันมีคํากรอนตอบมาเลยบ้านก็ขัดวัดก็ขูดพูดไม่ออกดีกาบอกบ่อยๆไม่ค่อยไหวบ้านได้บุญแต่วัดได้ปัจจัยต่อเมื่อไรจะเลิกบุญพระคุณเลย เันวิธีการที่ผู้เจ้าสอนคือไม่จะสอนชาวบ้านแต่บอกว่าอย่างนี้แต่ว่าสําหรพระนี้ให้จิตสำนึกว่าให้ทำตัวเหมือนกับแมลงพึ่งโดยทรงแสดงไว้ในปุพพวักแข่งพระธรรมม บ, บทว่าแมาลงพึ่งเข้าไปสู่สวนดอกไม้ไม่ทำดอกไม้กลิ่นหอมของดอกไม้หรือตัวดอกไม้ให้เสียหายพระเอาเฉพาะรสหวาน บินไปไม่ให้ฉันใดมุนีคือนักบวชเนี่ยก็พึงเที่ยวไปในบ้านเช่นเดียวกันฉันนั้นเพราะันอยากขออะไรใครให้มากจนจนเกินเหตุนะในวินัยนี้กำหนดได้เลยนะฮะพระเราเนี่ยเทนสมมติว่าโจรลักขโมยจุวนไปหมดสมมติว่าสามผืนเนี่ขอได้แค่สองผืนสองผืนเนี่ยขอได้แค่ผืนเดียวนะฮะถ้าผืนเดียวต้องไม่ขอเลยหมายความว่า ก็ต้องพยายามขวนขวายหาผ้าอะไรอะไรมาแต่ว่าในปัจจุบันนี้มันก็แปลกแล้วนะเพราะฉะนั้ น, น, น, น, น, นจะทำยังไงล่ะคือมันนั่เป็นศัตรูที่ทำลายความเคารพนับถือและการให้เกียรติคือ<กร>จะต้องพยายามช่วยตัวเองให้มากก่อนที่จะขออะไรใครจะต้องดูบุคคลกาละเทศะ ความจำเป็นอย่างแท้จริงของเรามีแค่ไหนจะไม่เดือดร้อนใจการต่อไปก็คือการยกย่องแบบประจบสอบพรอน่าเกลียดมันทำลายบุคลิกภาพทำลายความดีของบุคคลเหล่านั้นคืออย่างอย่างสมมติว่งานศพเนี่ยงานศพนี่น เ, นเขาเคยชอบเชียร์เจ้าผ้าคือชอบเชียร์เชียร์ศพ แตมาใครนิมนต์ไม่นิมนต์ไม่ก็สนใจอะ่ะคือถ้าเทศแล้วก็คือเทศเลยเราไปเชียร์ไม่ได้เพราะเรารู้ลึกกว่าเจ้าภาพไม่ได้ประวัติของคนนั้นพฤติกรรมคนนั้นเนะฮะเราไปใช้ภาษาดอกไม้ไปยกยก ย, กยอปอปั้นเนี่ยมันไม่ได้แต่เราก็แสดงสภาวธรรมแต่แสดงสภาวธรรมตามสูตรที่พระเจ้าส่งสอนนะว่าเคียร์กรสบเนี่ย การทำ ง, งานศพกคือหนึ่งสแสดงออกซึงญาติธรรมคือธรรมะที่ญาติจะพึงปฏิบัติต่อญาติสองเป็นการบูชาต่อผู้ที่จากไปสเป็นการเป็นการทนุบำรุงศ า, าสนาสี่เป็นการเพิ่มบุญให้แก่ตัวเองกิจายาสายนิยัตเนี่ยเป็นหลักที่ก็ส่งประวัติมาเยอะเราก็ยอมไม่เป็นนะแต่ให้บทเรียนจากตัวคนคนนั้นว่าคนที่กล้าชิก้กระท่านลองศึกษาดูสิอะไรท่านท่านดีท่านเด่นท่านดัง เราก็ยึดถือท่านเป็นตัวอย่างหมายความว่าคนเราไม่มีใครสมบูรณ์เราเฉพาะส่วนดีของท่านเป็นบทเรียนมีีบทกลอนมีพระผู้ใหญ่ท่านว่าให้ฟังก็ค่อนข้างประชดประชันสังคมนะเรื่องประจบเนี่ยเดี๋ยวาภาพเหล่านี้ทุกวันยังอยู่อยู่เยอะมาก ท่านบอกว่าเกิดเป็นคนมีนายไม่ง่ายนักต้องรู้จักกลุเป็นปีกกลีกเป็นหางนายไม่อยู่เที่ยวมันปล่อยคอกลางดูท่าทางนายกลับจึงจับงานรู้ประจับสอพร ร, รู้ประจบสอพรรู้ย่อานายถึงคราวร้ายท่านจะท่านก็คงจะสงสารแม้นผู้ใดสซื้อถือแต่งานต้องดักด่านบัดซบจบทุกคนเป็นคํากรนนานแล้วนะผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านว่าใหว้ฟัง มาก็ไอ้ปแปลกคือฟังคั้งเดียวจำได้เลยแล้วก็จามมา40สิบกว่าปีแล้วนะฮะเป็นพระครูที่วัดท่านมรณภาพแล้วท่านเลา่าให้ฟังประการต่อไปคือการไม่สํารวมเนี่ยการไม่สํารวม เ, เรื่องเรื่องใหญ่เราจะเจอเยอะนะฮะศีลเรื่องไม่สํารวมเนี่ยทํารวมระดับกฎหมายที่จริงระดับขนบธรรมเนียมประเพณีระดับกฎหมายระดับศีลระดับอินทรีย์ แล้วก็การสํารวจ ม, มันมันมันมันจะมีเยอะพระเจ้าทรงสแสดงไว้ทั้งห้าอย่างนฮะหนึ่นเงเรียกปาติโมกษ์สังโอดสารวจเรื่องของศีลิสองอินเสียสังวอสํารวจตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลาสัมผัสอารมณ์อยเกิดความยินดียินร้ายมากเกินไปมีสติมีสัมชัญญะมีความพยายามกํากับในการสัมผัสอารมณ์และบางอย่างมันสารวจโดยการอดกลั้นอดผลก็เรียกขันติสังวอ ตรงนี้อินทรีย์สังวรบางทีเรียกปัสติสังวรก็มีแล้วก็สํารวมด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาก็เรียกว่าญาณสังรวรคือสํารวมด้วยความรู้รู้เท่าทันต่ออารมณ์ที่เราสัมผัสในขณะนั้นแล้วก็วิ ญ, ญาสังวรสํารวมด้วยความพยายามพยายามป้องกันความชั่วขจัดความชั่วกะทําทความดี แล้วก็รักษาความดีเพื่อการไม่สํารวจยังเป็นศัตรูที่สังหารหัวใจเราเห็นว่าสังคมเนี่ยจุดอ่อนของสังคมก็คือคือคนผู้รับสารนี่จะขาดการสํารวจเป็นการสัมผัสสารด้วยความเยาว์ของสติสัมปชัญญะและความพยายามเผื่อใครก็ตามถ้าปล่อยให้อิทธิพลของสิ่งสัมผัสเนี่ยอารมณ์ที่เราสัมผัสทั้งหกอย่างอ่ะแหละ มีที่พลเหนือใจแล้วในสุจะต้องสยบตัวสิ่งเหล่านั้นอย่างที่เคยบอกว่าสังคมไทยปัจจุบันเนี่ยเป็นสังคมที่ถูกยั่วให้อยากถูกคู่ให้กลัวก็ถูกยั่วให้อยาก แ, แรงขึ้นทุกวันดูหนังสือพิมพ์ก็ได้ดูโทรทัศน์ก็ได้อ่านวิทยุก็ได้อะไรก็ได้ดูคัทอาร์ต่างๆเยสรุปแล้วว่าขู่ให้กลัวก็ยั่วห้อยากยั่วอยากคืออะไรคือกามกินนอน กลัวคืออะไรคือกลัวซึ่งเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์พวกนี้เก่งมากนะจับหัวใจมนุษย์เลยเพราะมนุษย์นั้นเป็นผิดผลมาจากตันหาเป็นผิดผลมาจากตันหาตันหาก็เป็นผิดผลมาจากอาวิชาก็พอดีนะทั้งโง่ทั้งอยากคือกลายเป็นโลคแบบโมโง่เพราะนเมื่อพบศัตรูทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าในกลุ่มของทุกขสัตริย์ในกลุ่มของทุกขสัตริย์ก็พยายามที่จะรู้เท่าทัน ในที่นี้ทรงเน้นเฉพาะตัวความแก่เป็นความแก่อย่างเดียวนะนอกนั้นเราจะเห็นว่าเป็นหลักการปฏิบัติตัวกับกิเลสนะฮะเป็นพวกกิเลสทั้งหลายแล้วก็พูดในระดับที่เป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีสังคมเป็นลีลาอารมณ์ของคนเพราะฉะนั้นการครองชีวิตจึง ต้องรู้จักศัตรูแล้วก็สู้ให้เป็นด้วยถ้าสู้ให้เป็นจะไม่มีปัญหาในะดที่เราเห็นว่ามีเรื่องอย่างหนึ่งต้องกําหนดรู้เรื่องอย่างหนึ่งต้องงดเว้นมันจะมีอยู่สองลักษณะเพราะว่ามันเป็นอาการของกิเลสกับอาการของทุกขสัจพูก ง, ง่ายว่าเป็นทุกขสัจกับสมทุทัยสัจทีนี้การแก้ปัญหาของทุกขสัจกับสมทุทัยสัจเนี่ยเราก็ต้องอยู่ที่มรมรคสัจมรรคสัจที่ถือว่าเป็นตัวนํา นะเป็นตัวนำเนี่ยเราเราเจอเราเจอบ่อยมากนะพระเจ้าทรงใช้ในมหาสติปฐานว่าอัตาปีฉะปชญโนสติมาอัตาปีก็คือคือสมาวิญมะคือใช้ความเพียรพยายามถูกทางฉะปัมมนโนก็คือมีความเห็นชอบมีความดําริชอบคือสมาสติสมาสังกัปปะแล้วก็สติมาก็คือมีสติรู้ทะลุรู้เ ท, ท่าทัาน ตามความเป็นจริงของอารมณ์เหล่านั้นในแต่ละขณะซึ่งในโอกาสต่อไปเนี่ยสังคมอาจจะต้องอรู้เท่าทันแม้แต่พวกมลพิษผูโชยเข้ามาเนี่ยต้องกั้นจะลมหายใจได้นะฮะต้องอั้นลมหายใจไว้ได้คุณภาพมลพิษเรนี้มันมันเยอะมากและอารมณ์ต่างๆเนี่ยสังคมเราจะอ่อนไหวไปแต่และเรื่องเนี่ยสังเกตได้นะสังเกตมานานแล้วด้วยแล้วก็ ผลรูปท้ายว่าไม่รู้จะทํำยังไงคือจริงๆคนเหล่านี้เราติดต่อกับเขาไม่ได้ก็ไม่สนใจฟังธรรมะเราเราออกธรรทัศน์เขาก็ดูช่องอื่นเราพูดออกวิทยุอย่างรายการเนี้ยมาสังเกตวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสวันศุกร์ที่มาออกด้วยเนี่ยเราก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีคนขั้างจะทารายแต่สังเกตจากวันจันทร์เนี่ย ก็มีคนถามปัญหาที่ค่อนข้างต่อเนื่องแล้วก็แน่นแต่ใ น, นขณะเดียวกันเราก็จำเสียงได้ว่าบางคนก็ซ้ำซึ่งก็ดีนะแต่ว่าคนที่มีปัญหาจริงๆบางคนมีปัญหาเรื่องชาราตัวเดียวในยุ่งตายแล้วทําสัญญกรรมปฏิกันอุตรลุดไปหมดเลยนะทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกจนจนร่างกายบางทีก็เกือบเป็นมัมมี่ไปเลย นี่คือศัตรูของชีวิตเจอศัตรูเราเจอแน่นะทั้งหมดอะแต่ต้องสู้ให้เป็นต้องเข้าใจตรงไหนควรเว้นตรงไหนควรประพฤติท่าทีที่ถูกต้องตามทุ่มควรแ ก, ก่กรณีของศัตรูนั้นเป็นหลักการสาคัญที่จะต้องอาศัยสติสั ม, มัญญาและความเพียรังกล่าวต้างฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเทาง่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, งอกงามไพร่บุญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยทุ ก, กันสวัสดี